เมื่อให้กายกับใจมาหมุนอยู่ด้วยกันปจนัจจุบันตัวกายนี่ยมันเหมือนกับตัวตัวใด ต, วใตัวใจมันก็เหมือนกับตัวไฟฟ้าที่มันมีพลังที่หมุนใดให้มันไปหมุนตัวจักตัวอื่นได้นะในการทำอย่างนี้จึงถ้าเรารู้ความหมายเราก็จะทำเป็นจงังหวะนึกถึงใดเวลามันหมุนไม่เป็นไม่ครบรอบเป็นยังไง แต่ใดนั้นเกิดว่ามันไม่สมบูรณ์การหมุนช้าบ้างไวบ้างอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นไฟก็ไม่เสถียรหรือบางทีไฟก็ไม่ออกสร้างจะหวามกันนะถ้าเราสร้างไม่เสถียรไม่แน่นอนปอกปอกแป๊กแปกไปตามเดิมตามหลักความสมบูรณ์ของสติปัญญาก็ช้านะนนเวลามาทํามาจะทําให้เห็นว่ามัน มันชัดเจนเป็นรูปเป็นแบบมันชัดเจนแล้วยังมองข้ามนะสิ่งที่ครูอาจารย์ท่านบัญญัติใกรัหนดมไว้เนะี่ยทำไมสิบสี่จังหวะแล้วทำไม่ครบมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นก็ไดไม้มีปัญหาแต่ว่าความสมบูรณ์ของสติสมถะปัญญามันจะช้าลงไปตามลำดับเพราะคลวัดมันไม่ครบนั้นเวลามาเห็นใครสร้างดุบแบบเล่นๆเนี่ย ก, ก, ก็เห็นใจอยู่ เพราะเขายังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าทําไมทําไมต้องทํามันมันครบแต่สําหรับคนที่ <c oughs> เป็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วว่ารู้เข้าใจความหมายเพื่ออะไรนั้นก็ <c oughs> ทําเล่นบางจริงบางก็ได้แต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้ความหมายที่ไปที่มาที่แท้จริงต้องทํำมันครบไว้ก่อนนะสาระมันคืออะไร เพราะนั้นในตัวความสมบูรณ์พร้อมของสติสมาธิปัญญาในส่วนหนึ่งก็คือองค์ความรู้ที่เกิดจากการกระทําเนี่ยมันจะต้องได้สัดได้ส่วนกันนะความสมบูรณ์ของกำลังรู้เนี่ยเหมือนกับเราถักทอเสือก็ดีผ้าก็ดีเนี่ยเราะจะเห็นว่าไอ้ตัวเรียงกับตัวถักเนี่ยมัน เยอะนะเพราะนั้นต้องใช้เครื่องมือใช้กระสวยใช้หูใช้ร า, าต่างที่เราแบบวันนอกราณเราทากันอยู่ถักทอเข้าไปที่ลายเส้นละเส้นละเส้นละเส้นเราจะทำเป็นลายไหนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าถักทอผิดจังหวะหรือผิดแถวผิดแนววะเนี่ยผ้าก็จะไม่สวยเหมือนกันผ้าก็จะออกมาลายไม่สวยแต่ถักทอไปตาม แถวตามแนวของมันเนื่ยผ้าเขาจะสวยแน่นไม่หลุดไม่ลุยล่ยง่ายอันั้นบางคนถ้าทำตามจังหวะชัดๆต่อเนื่องกัน ย, ยาวๆเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเครียดตึงแต่บางคนทำเล่นบ้างจริงบ้างถูกบ้างผีดบ้างกลับว่าไปได้เพราะความเกิดการผ่อนคลายไปในตัว แต่สําหรับคนที่มีสมาธิหนักแน่นเนี่ยสามารถที่ยกจังหวะเป็นจังหวะนี้ได้นานโดยที่ไม่เครียดนี่สีของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําถูกต้องต่อเนื่องยาวๆไม่ได้เครียดตึงไปหมดเกร็งไปหมดแต่บางคนทําเล่นบางชิง บ, าง บ, าง บ, บาง้ า, บา ง, างถักบางเบาบางช้าบ้างเร็วบ้างถูบ้างผิดบ้างก็เป็นการผ่อนคลายไปในตัวก็มี เราจะเห็นว่านี่ความแตกต่างแต่ละคนคนของเราไม่ได้ถือว่าเออนั้นถูกอันนี้ผิดแต่ว่าปรับให้เข้ากับอินทรียความความเข้มแข็งความหมอนแอของเราแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีความเข้มแข็งสามารถรักษามาตรฐานถู ก, กต้องเสมอต้นเสม อ, อ, สมอปลายได้ตลอดแต่นบางคนความเข้มแข็งไม่เพียงพอก็ออต้องสลับสั บ, สบเปลี่ยนกันไป หนักเบาถูกผิดเต็มไม่เต็มทำสลับกันไปอย่างนี้ก็มีนั้นในวิธีการของู้เรียนนี่จึงเป็นวิธีการปรับกายกับใจเขาหาตัวเองโดยตัวเราเนี่ยเป็นผู้กำหนดเป็นผู้พิสูจน์ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนคนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะบอกให้แน่นอนตายตัวได้เพราะแต่ละคนก็แต่ละแบบความรู้สึกภายใน ถึงแม้เราจะใช้การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันก็จริงแต่การพัฒนาการภายในเนี่ยซึ่งเป็นของแต่ละคนไปไม่สามารถจะเอามาตรฐานของคนนี้ไปวัดกับคนนี้ได้ไม่จะเอาแบบของคนนี้ใต้ตัวคนนี้ไปใส่คนนี้ได้ทําไปเราก็ศึกษาไปทําไปก็ศึกษาไปถ้าจะว่าไปในแง่ของเทคนิคเนี่ยในวิธีการออกเสียงค่อนข้างจะยาก พอสมควรจนใช้วิธีการสังเกตสังการศึกษาทําไปทําความเข้าใจไปแต่วิธีการนี้จะยากยังไงข้อเดียดนึงก็คือมันทําได้เรื่อยๆนะไม่ไม่ติดขัดนะทําไปแก้ไขไปถูกบ้างผิดต้องแก้ไขไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราได้สาระของมัาเราได้สาระเข้าขมาแล้วก็มาปรับออกไปใช้ในหลายๆกิจกรรม จากการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยอพอเรานําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันกลับร้อยเรียงการจะทำเหา น, นั้นได้ดีเป็นระเบียบเป็นจังหวะจากคนชีวิตก็ไม่เผลอไผลไม่บกพค่องไม่ผิดพลาดได้ง่ายเข้าจังหวะดีคอสังเกตไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยพราะในชีวิตจังหวะของเรามีเยอะแยะไปหมด ที่เราเคยหลงเคยลืมไม่ได้เคยฝึกมาเนี่ยรู้สึกจะทุกอย่างจะซับซ้อนสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดวันๆเราก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรื่องงานอะไรต่างๆอันนั้ น, น, นถูกหรือไม่แก้ก็ไม่จบจิตใจเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองไปกับเรื่องการกระทำ แต่พอเรามาปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยเรียบเรียงร้อยเรียงสติสมัมปชัญญะให้เป็นแถวเป็นแนวกันดีๆเวลาไปทำงานปั๊บเนี่ยมันก็จะไปสูตรอเดียวกันเลยทำงานก็ทำได้ดีนะการใช้ชีวิตการหยิบหยัจักชวยอะไรต่างๆแต่ว่าความผิดภาพ บ, บุกพ้องหลงลืมทางด้านร่างกายขันทาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขให้ใหมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นได้ เพราะยังไงมันก็อยู่ภายใต้กฎขอนิจกรทุกขังนัตตาอยู่ดีเป็นแปลงสำรุดชร า, าเสียหายผิดบ้างถูกบ้างเอาแน่นอนไม่ได้เป็นไปตามกฎของใจรักแต่อันหนึ่งที่เราสามารถปรับได้ตลอดเวลาคือปรับจิตไม่ให้มันขึ้นขึ้นลงลงไปกับความผิดพลาดจำหลักของใจรักทางกายนะคอยปรับกิให้มันมันตรงไวเรื่อย ไม่ให้จิตมันสัดสายไปกับอนิจจังผู้ขังนาจาทางภายนอกทางกายเช่นเราเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่ต้องการจะให้ผ้ามันเปียกมันก็เปียกเข้าห้องน้ําไปพื้นห้องน้ํามันเปียกเราสวมถุงเท้าอยู่ไม่อยากให้ถุงเท้ามันเปียกก็ทําให้มันตีนมัชุ่มมันก็เผลอไม่เห็นน้ําเอาเหยียบไปได้เดี๋ยวก็ต้องได้แรงฟันไม่อยากจะให้มันเฟื่อนผ่ามันก็ ก็เด<ม>ินมาเพื่อจะได้อย่างเี้ยไปตนหรือล้างหน้าไม่หกักน้ำไปเซนไปถูมันก็เซนซึ่งสิ่งเล็กๆน่าจะเคยสังเกตบ้งไว้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราขอให้เกิดความมุหงมิดําคาญกับการใช้ชีวิตประจาวันเยอะแยะมากมายไปหมดหลายๆเรื่องในการทานข้าวไม่อยากให้มันตกนตก็ตกไม่อยากจะให้ฟันไปกัดลิ้นก็กัดไม่อยากจะให้ก้างมันติดคอติดฟันนะฮันมันก็ติดอย่างเงี้ยไปโดน ซึ่งเราสังเกตให้ดีการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆเหล่าเนี้ยมันเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยในรายละเอียด น, นะผมเมื่ออยากให้มันยุ่งมันก็ยุ่งขึ้นมาผ้าเมื่ออยากให้มันยับมันก็ยับขึ้นมาอนั่งแล้วลุกแล้วเมื่ออยากให้มันเปื้อนมันก็เปื้อนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเรียงร้อยสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกดีๆนะเราสามารถเก็บสติในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ได้เยอะเลยแต่เนื่องจากว่า เราอยู่สิ่งเหล่านี้จนชินเราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าอันนี้คือหน่วยแห่งการใช้สติสมาธิปัญญาที่เราฝึกซึ่งมาได้เห็นความมาสยานของสติตรงนี้รีกว่ามายเลโคอัมพุเนสมายเลโคอัมพุเนสมายานหงการตื่นมาสยานการใช้สติเนี่ยมีอยู่ซึ่งจึงอยากจะ บอกรายละเอยอย่างเงี้ยสาหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยเนี่ยแต่แต่มีแต่เงื่อนงดจคาญเป็สิ่งเล็กน้อยนี่ไปตลอดชีวิตเลยสังสมาเป็นปฏิฆะเป็นโทสะเป็นขุนมัวอะไรไปวันวันทั้งที่จะปฏิบัติทำอยู่นะแต่ทําไมมันมันปล่อยมันวางได้ช้าเลยเกินทำไมมันอ่าสวดมันใส่ได้ช้าเลยเกินทําไมมันเบาได้ช้าเลยเกินเพราะเนื่องจากเราไม่ได้เก็บ ในรายละเอียดเตัเนี้ยให้มากที่สุดถามว่าจําเป็นจําเป็นการขัดพุทธรูบเนี่ยเราจะเห็นว่าบางแห่งเนี่ยขัดแล้วห ย, บยาบหยาบบางแห่งนี่ขัดได้ดีเรียบเลยเพราะอะไรเพราะฝีมือช่างฉันได้เป็นผู้ปฏิบัติบางคนปฏิบัติไปตลอดชีวิตเนี่ยชีวิตก็ยังไม่ค่อยราบค่อยเรียบไม่ค่อยงดค่อยงามเลยเท่าไหร่ เพอความละเอียดไม่พอแต่บุคคลปฏิบัติไปแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตราบเรียบงดงามสง่างามเรียบงงร้อยทําอะไรก็เขาที่เขาทางสะละสลวยอนเนี่ยรายละเอียดตรงนี้มันต่างกันซึ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดการเสแส้งแกล้งทําแต่เกิดจากความละเอียดที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยแล้วมันไปเห็นรายละเอียดตรงนั้นแล้วฝึกฝนซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดความ คนงามที่เราต้องการที่จะประดับตกแต่งอย่างชว่งใจไม่ใช่แต่มันเป็นรายละเอียดของชีวิตที่ที่พระพเจ้ทาท่านตรัสว่าอะไรอาธิกรรยานังมัชเชกัลยานังปรโยสานะกรลยานังใช่ไหมถ้าหับพุทธปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงถ้าอัตถะพยัญชนะแล้วเนี่ยชีวิตจะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดน ชีวิตไม่ว่าภายนอกภายในนั่นเองนั่นบอกเอองดงามเบื้องต้นได้แก่ศีลงดงามในธรรมกลางได้แก่สมาธิงดงามในบรรปลายได้แก่ปัญญาอันน้นอัตถกาถาาจารย์ท่านก็ส่งเคราะห์ให้เห็นชัดๆอย่างนั้น <c oughs> นั่นเองเราก็ฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีความ คงชัดในการจัดการชีวิตประจำวันเนี่ยได้ได้มากขึ้นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของร่างกายมีรายละเอียดเยอะในแง่ของเวทนาต่างๆเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้ามีเรื่องที่เรให้จัดการเกี่ยวข้องตลอดเวลาตั้งแต่หัวจุดเท้าแหลอะอเราก็จะต้องมาวุ่นวายอยู่กับการจัดการกับสังขารที่มัน แปรเปลี่ยนตลเวลาเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวไม่มสบายตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเอาแก้ไขกันเยอะทั้งวันทั้งวีทั้งวันยุ่งกับสังขารตัวเนี้ดังนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านรู้แจ้งในเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านจึงไม่อยากไม่อยากจะยุ่งกับสังขารใดมากมายไอ้เฉพาะสังขารในตัวเองเนี่ยมันก็ยุ่งมากพอแล้วอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านจะต้องสละท่านปล่อยวางสังขารต่างๆภายนอกไม่ท่านไม่ใช่ว่าท่านจะแกล้งทํานะ ไอ้เฉพาะสังขารที่มันมันทุกข์ด้วยอานาจของนิจังทุกข์ตายตรงเนี้ยมันก็วุ่นวายพอแล้วถ้าะูุเลยให้ละเอียดเนี่แต่นี้ถ้าผูไ้ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สดับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมองข้ามเหล่านี้หมดมันก็เลยมีความทุกข์เป็นทบหลายทบกหลายเ ท, ท่าซ้อนซ้อนซ้น ซ, น, ซ, น, ซ, น, ซ, น, ซนไปไอ้ของเก่าที่อยู่นี้ก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จไอ้ของใหม่เพิ่มเข้ามาก็จัดการไม่ได้ไอ้สังขารเฉพาะไอ้ตัวของเราเนี้เองมันก็เท่านี้อยู่แล้ว ถ้าสังขารที่เราเอาเข้ามาบริหารเป็นร้อยอย่างพันอย่างในบ้านหลังๆหนึ่งเนี่ยย่ีแย่ไปหมดมาได้เห็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังขาร น, นะที่เรามีนั้นมีนี้ปัจจุบันเนี่ยย่ีแย่แยไปหมดใช่ไหมรถมีลามีบ้านมีช่องมีของใชย้ยิ่งปัจจุบันยิ่งสังขารระดับไฮเทคสังขารระดับ อคอมพิวเตอร์ที่มันละเอียดเยียบคลายลงไปอีกยิ่งต้องกินเวลายิ่งต้องกินความตั้งใจคนรื่แล้ไปติดทางนั้นไปใส่ใจแต่เรื่องเพราะว่าไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ก็ไมันจะเสียจะหายไม่ทันยิ่งความละเอียดประณีตทางสังขารวัตถุภายนอกละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่นะการที่จะมาใส่ใจต่อสังขารที่เป็นตัววิญญาณก็น้อยลงไปเท่านั้น เราก็จะละเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังขารตัวนี้ตัวเราเนี่ยทั้งกายทั้งใจมากขึ้นนี่คือว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อโลกมันจเจริญแล้วธรรมมันก็จะเสื่อมวัตถุมันจเจริญแล้วจิตใจมันจะเสือ่อมเพราะคนไปใส่ใจต่อสิ่งนั้นยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดความใส่ใจไปมากเท่านั้นและสิ่งนั้นก็ขอให้เกิด ทุกโทษพิภัยมากมายนะแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราก็ตกอยู่ในอำนาจของความดึงดูดของมันนั้นจะึงอยากจะให้มาศึกษาในโลกในมิติเนี้ให้จริงจังให้ทำแบบเพื่อหวังอะไรสักอย่า ง, างนี้มันคงจะยากะ หวังว่าจได้มรดกได้ผลได้นิพพานได้สวรรค์ได้สมบัติอะไรต่างๆมันคนละเรื่องเลยนะเพราะอันนั้นมัก็เป็นสังขาร น, นั่นหนึ่งนะที่เราหวังเนี่ยแต่สิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราต้องการจัดการกับสังขารไม่ใช่หวังที่จะมาครองได้จัดการสังขารที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันสร้างความทุกข์ให้เราน้อยที่สุด สร้างความทุกข์และปัญหาให้เนอยจิตขอาเราก็ค่อยเป็นอิสระจากความทุกข์และปัญหานั้นเรื่อยๆที่เราแก้ไม่ได้มากเท่าไหร่จิตเขาเราก็จะเป็นอิสระในการผูกมัดลัดดึงของสังขารแล้วนั้นเรื่อยๆแต่นั้นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนเอาไว้ที่ป้องกันได้มากที่สุดก็คือหนึ่งก็คืออิศิสังวรา อินทีสังวสรวสังรวมสังรวมอินียสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันไปแส่าสแ ส, สวงหาสิ่งที่มาตอบสนองมากเกินไปสังรวมเอาไว้ไม่จำเป็นเห็นก็อย่าเห็นมันไม่จำเป็นฟังก็อย่าฟังมันไม่จำเป็นคิดก็อย่าคิดมันอย่างเงี้ยสังรวมระวังเพื่อที่จะไม่ให้เพิ่มภาระแก่ สังขารและจิตนั่นเองระวังตาหูสมูกและกายอินทรสังวรที่ท่านบอกว่าจำเป็นนะอันที่สองปาฏิโมกสังวรก็คือศึกษาคำสอนตัวบทที่พระองค์ท่านตั้งตั้งเอาไว้เนี่ยท่านตัดเอาไว้เนี่ยว่าเป็นอย่างไรในแง่ของหลักการที่จะต้องทำอะนะถึงจะถูก อีสีสังวรอันที่สามต้อใช้ชาคาว่าชาคริยานุโยกชาคดียุยกคำนี้ไม่ค่อยคุ้นนะหมอเคยอีานไห ม, ไมถ้าไม่ใช่นักศึกษาบาลสักศึกษาธรรมะจริงก็ว่าค่อยดีคุ้นแต่นักปฏิบัติจะคุ้นคานี้ดีชาคาริยานุโยก ความเพียรอยู่เสมอประกอบการตื่นอยู่ชาชาคารูชาคาริชาเราพูดตื่นดุโยกเราประกอบการตื่นอยู่นั่นฉะนัประกอบความเพียรอยู่เสมอคหมายเขาว่าต้องต้องเพียร์นะถึงอย่าสํารวมระวังอินทรีย์ได้ต้องเพียรนะถึงอย่าสําสรวมในปฏิโมกได้ต้องเพียรเท่านั้น จะบอกสามอย่างนี้ทํายังไงก็ไม่ผิดท่านวะนะท่านใช้ชื่อสามอย่างนี้จะอัปันนกะารทำชาคานิญกาโยอ่าหลักการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนี่วะแล้วเองในการปฏิบัติแบบนี้อันที่เราทําเนี่ยก็คืออีซีสังรวมอีซีอีซีสังวรคือในช่วงที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็สังรวมกายว่าใจาใจมาอยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยคือไปหลักของอีซีสังวรอนะ ใช่ไหมในช่วงที่เราทำเนี่ยไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปแส่ๆเอารูปเสังกิดนสสัมผัสที่มากระทบให้จิต <c oughs> ั้งเรามาสํารวมอยู่กันขึ้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องอันที่สองนี่ก็คือที่เราทำเนี่ยต้องคำนึงถึงหลักว่าพระพุทธองค์ท่านตัดไว้ยังไงเราก็เอาหลักของ สติปฐานเนี่ยมาเป็นหลักการปฏิบัติที่เราทํานี่ก็คือกายานุปัสนาอกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกในกายที่กายมันเยอะแยะไปหมดระลึกในส่วนไหนบ้างท่านบอกระลึกในส่วนที่ลมหายใจเข้าออกลึกตื้นให้รู้ระลึกในส่วนที่เป็นยืนเดินนั่งนอนให้รู้ระลึกในส่วนที่เป็นขูดเหยียดเคลื่อนไหว เหลวส้ายไหลขวาเดินหน้าถอยหลังจับจับเฉยค้มเงยกินดื่มให้ ล, ลึกในสิ่งเหล่านี้หลักประการที่สี่ให้ ล, ลึกๆถึงว่าที่ทํางานอยู่นี้ด้วยอานาจของท่านนะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่เราทํานะท่านมันทํากันเองเนะี่ยหลักของท่านสี่นี้น้ำมันไฟนะแล้วก็ท่าทั้งสี่นี่ทํางานแยกย่อยออกมาเป็นรายละเอียดต่างๆถึงสามที่สองส่วน เรีาอาการสามีสองคนผมคนลึกฝันหนังไปต้นไปนแล้วก็สิ่งเหล่านี้เมื่อผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเสื่อมสลายตลอดเวลาผลที่ออกจากการเสื่อมสลายจากการกาทํางานของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาสุพะของเสียมีท่อไอเสียเนียเป็นอาสุพะออกมาทางกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้าออกมา ของเสียออกมาเป็นของเสียเหล่านี้ขอโทษเลยใช้ควาว่าอะไรขี่เนี่ยขี่ขี่หัวขี้หูขี้ตาไปเรื่อยๆหละจนจนไปเท้าของเราเนี่ยมเสียงตลอดเวลาเนี่ยท่านบอกให้มองทั้งหกส่วนนี่แหล ะ, ะส่วนลมหายใจอีบดสีอีบด ย, ย่อยธาตุสีการสามสิบสอง สุภาห็นไหกส่วนนี่ยถ้าดูอันนี้คือในส่วนที่เป็นปฏิโมกเป็นหลักคําสอนและในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมาตั่งท่องนั่งบท น, นั่งจด น, นั่งจำต้องชาคารยานุโยคต้องเพียรทำประกอบความเพียรเพียรรู้เพียรทำในสิ่งเหล่านี้เอาหลักของปฏิโมกนั่นแหละมาทําเช่นเรา ผู้เย็ดเคลื่อนไหวนี่เรากำลังทำอยู่นี่ยคือเพียนทำทีนี้เพียน ท, ท, นยนที่ทั้งสี่เพียนที่จะให้มันถูกเนี่ยต้องประกอบด้วยหลักสี่ประการเพียนระวังในส่วนที่มันไม่ไม่ดีเนี่ยอย่าให้อย่าให้มันเกิดสองถ้ามันเผลอเกิดแล้วต้องเพียนสลัดสลัดสลัดสลั ด, ลดเช่นสังขารการปรุงแต่งจิตเนี่ยถามว่าในแง่การปฏิบัติแล้วดีไม่ดีอบอกไม่ดีต้องระวัง แต่ว่าระวัวงเท่าไหร่มันก็ยังเกิดเผือกิดอยู่ดีให้ให้เพียนตนัดเรื่อยๆสลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดทิ้งยาวมาต่อมาต่อมาเติ ม, ต ม, ตมให้มันยาวมาแล้วตัดตัดตัดนี่เขาเรียกเพียนตัดนี่กินที่จเจ้าอะไรมาตัดอ่ะก็คือเพียนสร้างเครื่องมือก็คือเพียนให้เกิดสติปัญญาเรื่อยๆคือตัวตัดคือสติปัญญา เงนะเมื่ออสร้างกําลังให้เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันลดดับกับระดับนั้นรักษาระดับเอาไว้นี่นี่เขาเรียกเพียนเพียนอันที่หนึ่งเพียนระวังในส่วนที่ไม่ต้องการอย่าให้มันเกิดความคลี่คลงแต่งฟุ้งสัน้นอดีตนอะนาคตไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เผอเกิดยันได้แหละก็ เ, เพียนตัดเพียนสลัดเพียนละเป็นวางเป็นปล่อยนงะี้ยแล้วก็ตัว อำนาจของการปล่อยการละการวางเคื่ออํานาจของอะไรอํานาจของสติสมาธิปัญญาก็ต้องครอบคุณสังสมอํานาจอันนี้เอาไว้แล้วก็ครอบคุณสังสมบ์ได้แล้วก็ไม่ควรประมาทที่จะให้มันลดระดับลงไปเพียนรักษานี่นี่คือเพียนอย่างนี้เนะี่อ <c oughs> ไม่ใช่ทําทั้งวันเพียนทำทั้งวันแต่ว่ามันไม่ตั้งอยู่ในหลักสี่อย่างนี้ก็เพียนนั่ก็เป็นไม่ได้เป็นสมาวายามาะแล้ว เป็นวิชาวิอยามากกันนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลักที่เราทำตรงนี้มันครบถ้วนนะทำแล้วถ้าเกิดผลไปไงทาให้เรารู้จักทุกรู้จักเหตุของทุกรู้จักการดับทุกเรารู้จักวิธีการสิ่งเหล่านี้ก็จะประมวลมาเป็นชีวิตจริงของเรานะเป็นชีวิตจริงของเราแล้วชีวิตของเราได้ใช้สิ่งนี้จะเป็น นิสัยไม่ว่ามาที่นี่หรือกลับไปบ้านก็เอาไปใช้แบบเดียวกันนะในเที่ยว่าที่นี่ทางใจทำเต็ที่กลับไปบ้านปล่อยทิ้งหมดก็ไม่ไ ม, ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติเหมือนกันแต่เอาไปทาที่บ้านอาจจะต่างจากทาที่นี่นะเหมือนนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเาจะต้อ ง, ตองตแต่งสูตรแต่งชุดต้องมีปากกาดินสอต้องมีครูอะไรต่างตามรูปแบบ แต่พอกลับไปใช้ที่บ้านไม่ใช่แล้วใช้ทันทีเลยะจะเขียนอะไรจะนี่ก็ใช้เลยซึ่งมันไม่มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติเหมือนกัน <c oughs> เรามาที่นี่ก็รูปแบบทำแบบนี้แต่รูปแบบนี้เราไปใช้ที่บ้านอาจจะไม่ใช่เราก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการงานต่างๆที่เราเกี่ยวข้องการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างนี้กับการเคลื่อนไหวในการล้างถ้วยล้างชาม ถึงรูปแบบต่างกันแต่สาระอันเดียวกันคือการเคลื่อนไหวเหมือนกันรู้สึกลงไปการเคลื่อนไหวแบบนี้อีกกิจกรรมืองที่บ้านกับการเคลื่อนไหวในการซักผ้าล้างถ้วยล้างชามถูบ้านถูเรือนก็รูปแบบมานจะต่ากันแต่สาระไม่ไดต่างกันคือรู้สึกตัวนี่คือคือสิ่งที่ต้องนําไปแต่ว่า รายละเอียดที่บ้านเนี่ยมันมีเยอะกว่าแทบตลอดเวลาบอกไม่มีเวลาแม้จะมาปฏิบัติเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาแต่กิจกรรมเหล่านั้นมันจะไม่เป็นกนรรฐานถ้าเราไม่มาทําอันนี้ให้เข้าใจเสก่อนพอไปทํำนั้นมันก็จะหลงลืมแต่พอมาทําอันนี้เสีก่อนพอไปทําอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุด <c oughs> มันก็จะไม่หลงลืมหรือหลงลืมบ้างแต่ก็ สามารถแก้ไขได้แต่ชาวบ้านที่ไม่มาฝึกฝนผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนศึกษาเรื่องนี้จะไม่มีรู้เลยไม่มีทางรู้แล้วมันหลงลืมตอนไหนมันขาดตรงไหนจะเพิ่มอยังไงจะเริ่มอย่างไรไ ม, มไม่มีไม่มีไม่มีทางรู้เลยแต่เรารู้เพราะเรามีการฝึกฝนการปฏิบัติอันนี้คือสาระที่เรามาที่นี่นะต้องต้องเนื่องจากเรามีเวลาน้อยที่จะพูดกัน ต้องพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะผูนี้มาก็ต้องเดินทางแล้วทางแพร่กำลังรอกนันนั่ก็เลยว่างานอย่างนี้ยคนต้องการเกินเยอะเพราะนั้นเราไม่ใช่มาอย่างนี้ได้บ่อยๆในแต่ละปีเพราะถ้ามาแต่ละครั้งแล้วเนี่ยจะต้องนำไปฝึกฝนซักซ้อมให้มันมันใช้ได้ให้มันเพิ่มพูนอะ ไม่ใชใช้หมดแล้วต้องตามมาเอาใหม่เงี้ยมั น, ม, นมันไม่ถูกมันเหนื่อยนะเหมือนกับคนที่เขาหาเงินเน่ยคนบางคนได้เงินเท่านี้ไปอไปหาทุนมาได้เท่านี้แต่ปรากฏค้าไม่กี่ปีลํารวยมีกําไรเกิดขึ้นเยอะแยะได้เงินทุนไปก้อนหนึ่งอีกคนหนึ่งได้เงินทุนไปก้อนหนึ่งเหมือนกันอนอกจากจาก อาดทุนแล้วยังไม่พอตินี่จะฮ้าต่างกันนะการบริหารจัดการบางคนใช้แล้วหมดเลยแต่บางคนใช้แล้วยิ่งงอกเหมือนกันกรรมฐานนีเหมือนกันเร า, าปฏิบัติที่นี่เหมือนว่ามาหาทุนมาหาทุนพอกลับไปบ้านใช่ไหมครับว่าเอาทุนนี้ไปค้าแล้วใครจะกําไรขาดทุนรู้กันตรงนั้นแหละ ถ้าคนใหนกาไรก็หมายความว่าคนนั้นตอนที่มาหาทุนเนี่ยเข้าใจเข้าใจใช้ที่จะนําไปให้นำไปใช้แต่กลับไปบ้านแล้วนําไปใช้ไม่ได้หรือขัดทุนต่งางๆนี่ก็หมายความว่าเราไม่เข้าใจแต่ในช่วงที่อยู่ปฏิบัติร่วมกันเนี่ยนอกจากที่จะฟังแล้วเนี่ยก็ยัต้องสักถามสนทนากันในข้อห้องใจต่างๆนะ เพให้ชัดเจนเวลาเราไปทำฉะนั้นช่วงต่อไปนี้ใครมีอะไรที่สงสัยข้องใจในการปฏิบัติวันนี้บ้างไหมถามได้ที่ทำมาทั้งวันเนี่ยมีตรงไหนที่ขัดข้องมีไหมมีก็ ยกมือสองไฟใายไปหรือว่าวันนี้ปฏิบัติแล้วเข้าใจดีกันหมดทุกคนนี่ต้องอนุโมทนามากๆาเลยนยะแสดงว่าเป็นนักเรียนที่เก่งที่ียดมีไหม อ๋อถามแล้วได้คาตอบแล้วก็หายสงสัยแล้วใช่มคน่ด้ัยังสงสัยอย่ว่าก็ยสงสัยเองได้มาได้ฝันฝุ่ป่าแล้วก็พี่เองกินป่าแต่ว่าไม่ได้สงสัยแม่ต้องลองเองว่าอ๋อใช่บางอย่างเราสงสัยก่อนมนได้พอบางอย่างไปไม่ถึงเอ๊ การเดินทางอยู่ตรงนี้ทางดรนั้นเป็นยังไงหนอเนี่ยเมื่อทีคนบอกไปล้วก็ไร้ประโยชน์พอแล้วพ่อเราจะเดินไม่ถึงถึงบอกไปก็ไม่มีประโยชน์แต่สงสัยในที่นี้ที่นี้เดินมาเมืกี่เนี่ยมันใช่ทางเส้นนี้หรือเปล่าเออนี่น่าสงสัยบอกวจะเดินทางไปบนคนละเส้นทางเอออันนี้น่าสงสัยกลัวหลงนะ แต่ถ้าถากว่าเอเราเดินทางถูกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่อยากถามว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องถามวันนี้พอเดินไปเดี๋ยวเจอจะรู <c> ้ <oughs> <c oughs> ไม่สงสัยเลยนะอโอเค okay. แสดงว่ารู้ปัญหากันทุกคนลนะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้อบางคนก็จะมีเวลาแค่อีกสองสามวันแต่บางคนวิวไรอีกหลายวันก็ไปต่อที่แพร่กันเลยกัน แพร่ก็เริ่มพวกนี้ไปจนไปถึงวันที่สิบมาแล้ว ไ, ไต่อที่แพร่ยังไม่จุใจไปต่อที่วัดดอยฝาก่านอีกสิบเถึงยี่สิบมาแล้วนะเรื่องศึกษาทั้งปีเรื่องนี้ยพราอะเพราะรายเลียงมัเยอะนะยิ่งยิ่งศึกษายิ่งสนุกยิ่งไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันเก่าไม่เป็นนะมันยิ่งศึกษามันยิ่งใหม่ไปเลย แล้วมาเขาวาศึกษามายี่สิบสาสิบปีมันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะมันมันเห็นบางอย่างก็เพิ่งรู้ใหม่ๆก็มีนะบางอย่างเพิ่งเห็นใหม่ๆก็มีคนพบใหม่ๆนะเมื่อก่อนนี่จะเอื้อมมือไปจับอะไรไม่รู้อ่ะไปนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มอ๋อเริ่มว่าแค่นี้เริ่มรู้ทันละเมื่อก่อนไปตั้งหลายรอบแล้วยังไม่รู้เลยแต่นี้ยิง่งเริ่มรู้ทันเรื่องนพบวิธีการใหม่ใ แลศึกษาไปเรื่อยมันจะค้นพบเรื่อยๆเอ้ยการลุกเมื่อก่อนเราลุกปั่นไปตั้งหลายลุกได้ครั้งนี้ไม่เหเอะไอเดี๋ยวนี้มันก่อนที่จะลุกมาเอ้ยมันมันมีการขยับยังไงเริ่มจับได้ทั้งในนู่นเลยนะโอ้ยสนุกมากเลยละไรเยอะยะเล น, นี่นะบางสิ่งบางอย่างก็ดึมไปผ่านไปตั้งต้นใหม่เมื่อรู้เท่าทันตัวเองทุกแง่ทุกมุมเนี่ยถามว่าคนอื่นรู้ทันคนอื่นโอ้รู้ ที่เราจะทําท่ารู้จริงหรือไม่จริงเท่านั้นบางครั้งเราไปรู้เขาหมดทุกเรื่องไม่ได้แต่ทําท่าไม่รู้ว่างั้นอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้เออออย่างก็ต้องต้องทําไม่รู้บ้างเพื่อเขาจะได้อยู่ร่วมกับเขาได้ให้รู้เคยเขาหมดไปทุกเรื่องโอ้อยู่อยู่คนเดียว่ในโลกนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นมันสนุกนะโดยเฉพาะคนหนุ่มต้องรีบศึกษาเรื่องนี้เพราะคนหนุ่มมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีพลังความเพียรที่สูง ไม่จํากัดใช่ไหมอันลิมิตเลยแหละแต่ว่าคนที่สูงอายุแ ล, แล้วนี่ค่อนข้างลิมิตแล้วแหลนะเดินอยากจะเดินสักสิชั่วโม ง, โมงไไมหรนะืชั่วโมงไปไม่ไหวแล้วาเงี้ยอยากจะนั่งสักสาชั่วโมงอี่ชั่วโมงไปไม่ไหวแต่คนหนุ่มไปได้อย่างไปตรงนี้ไปได้ตรงนี้ลิมิตมันต่างกันนะงั้นถ้าไปคนหนุ่มแล้วอยากให้นขนควายศึกษาเร่องนี้ไม่ไม่ไร้ผลแน่นอนแต่คนหนุ่มเสียตรงไหนถูกไหม ้ไม่เข้มแข็งอ่าตรงนั้นให้ไปไปจัดการแก้ไขเรื่องตัวศรัทธาให้ดีถ้าศรัทธาเข้มแข็งแล้วความเพียรสติสมัมฤทธิปัญญาเนี่ยคงหนุนไปได้เร็วแต่คนที่อายุมากก็มีศรัทธาดีแล้วนะ่ะแต่ข้อบุกฟ้องก็คือความเพียรอยากจะทำอย่างใจไม่ได้เห็นนั่งบริบตลดูสักคืนแล้วไปยังไงเนี่ยทาไม่ได้แนะ แกไปสักครึ่งคืนก็นล้มแผะเลยแหละแต่คนหนุ่มพวกเราก็ยักเดินได้ตลอด <c oughs> สมัยแต่มาหนุ่มๆมาทําได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยบางทําความเพียรบางวันเนี้ยสนุกไม่ต้องนอ น, นเลยแหละทะลุทลุแจ้งเลยแหละสนุกนะโดยเฉพาะอย่างยนะิ่งเนี่ยถ้าเป็นชีวิตที่พิสูจน์ด้วยยิง่งโอ้มีมีมีความเรื่องเปรี่ยบสูงมากชีวิตที่โซ่ๆนะี่ย มี 1, าพาันธะพารัคือจะไปที่ไหนเมื่อไหร่นี่ได้เลยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเขามีพันธะมีลูกมีผัวมีเมีย ม, มีนี่ละโอเป็นพันธะใหญ่หลวงเลยแหละที่นี้จะต้องขออนุญาตกันนะงานนี้จะไปเขาว่าไงเขาอนุญาตไหมเขาเห็นด้วยไหมเนี่ยเขาเห็นด้วยถึงจะไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยไปไม่ได้เดไปก็เป็นเรื่องนย่างนี่เพราะนั้นข้อได้เปรียบคนตรงนั้นสันเราคนหนุ่มคนสาวเรอ สำหรับคนที่ยังมีพันธะภาระก็ก็ไม่ถือว่าอยู่ที่ว่าเราต้องใช้ปัญญามากกว่าธรรมดาหน่อยเราจะหาทางออกจากบ้านได้ยังใช้ปัญญามากทีเดียวแต่ถ้าเป็นคนของคุณสาวไม่มีพันธะภาระนี่พออยากจะมา ก, ก็ได้เลยไม่ต้องวังไหวขออนิญาตกันยังไงเขาถึงอยากอนุญาตไม่ต้องคิดในเรื่องนั้นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาไว้ในช่วงที่ยังไม่มีพันธะ นะตกลงไม่มีค้อสงสัยเนาะเราจะได้เซฟเวลาอ่าอะไม่ี้สงสัยมาตั้งแต่ว่าเคอ่านหนังสือเจอแล้วก็ฟังแค่การเก็บอารมณ์คืออะไรแล้วก็ถึงจุดไหนถึงจะไปเก็บอารมณ์ได้การเก็บอารมณ์คืออะไรการเก็บอารมณ์คือการได้ รักษาใจของตัวเองให้อยู่ปัจจ bueno, ุบันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อยู่กับปัจจุบันกับตัวเองนี่นะการเก็บอารมณ์คือเก็บอารมณ์อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์เก็บปัจจุบันอารมณ์ไม่ให้มันวิ่งไปในอดีตนอดตเขาเร่เก็บอารมณ์เก็บใจไว้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เขาเเก็บอารมณ์นานขนาดไหนถึงว่าจะสามารถเก็ถ้าหาว่าปฏิบัติแล้วเข้าใจลูปนามแล้วดับหนึ่งนะให้เก็บอารมณ์ เราะถ้าคนใจรูปนามระดับหนึ่งเนี่ยเข้าเกี่ยวลมเนี่ยมันมีนิวรณเยอะไงนิวรณมันแรงถ้าเข้าใจรูปนามแล้วมันก็มีวิธีจะแก้นิวรณของตัวเองได้บ้างแก้เป็นแต่คนไหนยังไม่รู้รูปนามเลยเนี่ยพอเข้าเกี่รวลมเนี่ยท่านนิวรณ์นวลมาเป็นพลรุมูแคมหรือแก้ไม่ตกเลยก็บางทีก็เกิดความโผดโผดท้อถอยใจไม่สู้การเก็บก็ไปไม่ตลอดนะเพราะฉะนั้นต้องอย่างน้อยสัมผัส เขาใจรูปนามไปเก็บอารมณ์ถึงจะได้ผลนะถึงไม่รู้รูปนามเก็บอารมณ์ก็ได้แต่ว่ามันไม่เขาได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าอารมณ์นิวรนมาแรงไปสู้นิวันไม่ได้เดี๋ยวง่วงมาเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวขี้เกียจมาเดี๋ยวหงุดหงิดโอยฟุ้งซ่านมาเนี่จะแก้ยังไงเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่มาไรก็เลิกไปเลยเก็บไม่ได้แต่ถ้ารู้อยากรู้จากนามแล้วนี่โอ้มันก็เห็นทางอ่ะก็จะแก้ยังไงนั้นเขาว่าเก็บอารมณ์คือเก็บใจอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน แล้วจะเริ่มตัวเมื่ อ, อไหร่หลังจากที่เข้าใจดูนามว่าอะไรเป็นดูอะไรเป็นนามอันนั้นคือสิ่งที่ต้องศึกษานะเข้าใจไหมต้องคิดสงสัยต่อว่าเมื่ <Okay. S 1> อไหร่จะรู้ว่าเข้าใจรูปนามนี่เข้าใจรูปอ๋อเข้าใจท่านทานข้าวนี่ถามคนอื่นท่านข้าวเคยถามคนอื่นว่าเมื่อไหร่ฉันดื่มเนี่ยอ๋อ ทำไมทำไมรู้ก็ได้รูปน่องก็เหมือนกันถึงเวลามันรู้แล้วมันจะมันจะรู้เองอ่ะอันนี้บอกกันไม่ได้นะอ่าแต่ก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับการปฏิบับบบบบบตินะคะแต่ไม่ทาว่าวิธีหลบตาเทียนเนี่ยเอ่อกับวิธีที่นั่งสมาธิทั่วไปอย่างใส่ถุงม่นนะคะ คือปฏิบัติแล้วผ่นานนะเขก็เลยบอกว่าหนูว่ามาผิดทางหนูเลยบอกว่าหนูไม่ผิดเพราะหนูไม่บุ๊กหนูกรณีกรณีคือว่าอยากจะสร้างว่าเขาพูดว่าเจ้าอ่ะตอนที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้ยกมือแต่ว่าลักษณะการยกมือเนี่ยคื อ, อการเหมือนเดินตรงกลมใช่ไหมฮะอัะนี้คุณเจ้านั่งสมาธิด้วยแล้วเข้าขา เ, เข้ายามที่หนึ่งยามที่สองไปไ ป, ไปจนสุดนะคะหนูไม่ทราบจะ ก็แตกต่างกันตรงไหนนะเยอะมึงเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมไม่เคยอ่าทำไมรู้พระเจ้ายกหรือไม่ยกคือคือในในแล้วนั่นคือนั่งสมาธิก็นั่ น, น, น, ด, น, นดีเคยเห็นไหม เ, เหจะเป็นพระุทธเจ้าทนั่งสมาธิไหมท่านนั่งยังไงอันนี้คือเขาว่าจำตามกันมานะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าพระพุทธเจ้าทำแบบไหนเพราะเราไม่เห็นท่านท่านก็ไม่เห็นเราใช่ไหมแต่ว่ามีหลักอันหนึ่งที่เราสามารถ เชื่อได้ว่าผู้ทีเจ้าทําหรือไม่ทํานี่นะถ้าจะทําแบบไหนก็ตามแต่ว่าลงมาตรงนี้ด้วยกันนะคือคําสอนของท่านท่านบอกไว้หลักสติปัฏฐานสี่นะี่ทั้งหมดเนี่ยหลักสติปัฏานสี่ทั้งหมดก็เราทำขนาด น, นี้มันอันเดียวกันแล้วเราเชื่อไหมว่าสติปัฏฐานสี่ผู้ทีเจ้าจัดเอาไว้เราเชื่อไหมสติปัฏานสอ่าเชื่อนะเชื่อนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราทํานั้นกับสติปัฏานสี่อันเดียวกันไหม ของเราของเราขนาดนี้คือเรากายายิงปัสฉนากายายิ่งปัจฉนาแต่ว่าพอเสพแล้วมันก็จะเห็นจริงใช่ไั้ครับแต่ำแทำเหรอฮะก็ทํำก็เห็นอารมณ์ไงทำลายอุปัฏฐานคือกองไหนของของเราต่อไปก็เห็นว่าวันนี้วันนี้โยมคิดเรื่องอะไรจําได้พงไหมคิดกี่เรื่องจําได้ไหมจำได้วันนี้มีความคิดบ้างหรือเปล่าวันนี้มีเยอะเลยมีเยอะเลยมัน มันเข้ายัางไงมันออกอยังไงมาจากอาดีตเนี่ยคนรู้อยู่ใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยรู้อยู่ในช่วงนั้นอะที่มันเกิดรู้อยู่ใช่ไหยนั่นแหละคือตัวอารมณ์จิตทำหน้าที่ที่รับรู้ในสิ่งที่มากระทบนะแล้วก็อารมณ์คือมันทำสิ่งที่รับเข้ามาแล้วนะปรุงออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความพอใจไม่พอใจความชอบไม่ชอบคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ วันนี้มีอยู่หลายเรื่องใช่ไหมอารมณ์แบบนี้แต่เราเห็นมันไหมถ้าเราเห็นเนี่ยก็เราเป็นธรรมะทุกศาสนาละเห็นบางเรื่องเห็นบางเรื่องไม่เห็นบางเรื่องเห็นแล้วตัดได้บางเรื่องเห็นแล้วตัไดตไม่ได้มีไหมอารมณ์มันไม่ใช่เวทนาเหรอคะอ๋อไม่อาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจในเรื่องที่เราคิดเลยโอ้ฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยโอ้ควาคิดที่ไม่ได้จะมา เกิดเลยอะไรเนี่ยมีอยู่ใช่มทำมาคือความคิดอันนั้นที่เรารู้ว่ามันเกิดดำยังไงอ่านั่นแหละมันเกิดดำเนี่ยเขาเป็นธรรมานุสติอะไธรรมานุปสนาคือตามรู้อารมณ์ที่มันกาลังเกิดอันนี้อ๋ออันนี้คนคิดอันนี้มาอีกแล้วนี่นัมันก็เป็นอันเดียวกันนะอย่างสมมติว่าโยมเริ่มมือไปจับขดนี่ยโยมจับนิ้วเดียวเนี่ยมันจะขึ้นหมสองนิ้วก็ขึ้นยากเสานิ้วก็ขึ้นยากสี่นิ้ว เออขึ้นเหมือนกันเน่ะตัวอารมณ์เกิดขึ้นในใจปั๊บเนี่ยแล้วจะบอกว่าเออเอากายไปจับดีหรือเอาเวทนาไปจับหรือเอาจิตไปจับหรือเอามันร่วมทํางานร่วมกันนั่นแหละตามทั้งสี่เนี่ยแหละตามดูมาทั้งสี่กายก็ตามดูเวทนารู้สึกมันหนักก็ตามรู้ฉันคิดว่าฉันจะจับก็ตามรู้แล้วจะไปจับมาเพื่ออะไรมันต่างกันเป็นธรรมารู้ในตัวมันหมดเลยถึงเมื่อเอาเอื้อมมือไปจับขวดนี่นะ ไอ้ส่วนจับนี่เป็นกายยานโฆษณาได้ไหมรู้สึกหนักหรือเบาเนี่เวทนานโฆษณาได้ไหมไอ้คิดว่าฉันจะจับมาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นจิตได้โฆนณาได้ไหมดุมแล้วเป็นไงอิ่มหรือไม่อิ่มดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นทํางานโฆนณาได้ไหมเนี่ยมันทํางานร่วมกันหมดเลยเราไม่สามารถแยกแต่ใ น, นแง่ของภาษาเราต้องแยกให้เห็นชัดเพื่อสะดวกในการสื่อเท่านั้นเองแต่เวลาจริงๆแล้วมันต้องเป็นอง์รวมหลวงอพอแล้วเราแบบ ว่ารู้ถึงระ ล, ล, ลึกชาติแน่ๆนะถ้าเกิดสมมจุด ข, ของหลวงพ่อเพียงคำว่าละลึกชาตินิยมเข้าใจว่างไงก็คือแบบว่าที่พระเจ้าได้เห็นว่าท่านเกิดมาแล้วสิบชาติอ๋อเอาละนั้นผู้เจ้าตามตำร า, มาไม่ใช่พู้ทีเจ้าอย่างที่โยมที่ท่านเป็นจริงที่โยมจําตำราจําที่เขาว่ามาว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ วันนี้ก่อนที่จะมานั่งที่เนี่ยชั่วโมงเนี่ยโยมนั่งที่ไหนเมื่อก่อนอิงโค้งแล้วก่อนที่จะไปนั่งหิงโค้งนะโยมไปเดินที่ไหนมาก่อนได้ต้นม้ได้ต้นไม้แล้วก่อนที่ไปนั่งต้นได้ต้ตนไม้นโยมนอนที่ไหนเมาก่อนแน่เลึกได้เลยลึกชาติได้ตลอดเลยไม่เห็นยากเลยเนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไอ้คาว่าลึกอนชา่นใน มิติที่เราเข้าใจกับที่ตำราเขาว่าเนี่มันทีมคนละเรื่องแต่เราไปคิดที่เขาว่าไว้อะแต่ของจริงมันไม่ยากเราก็ลึกๆได้ะอะผมก็รับเพราะในนี้ก็สูตรจะเหีนน่ยงไหอไม่สูตต้องเหรอะไม่ใช่ไม่ถูกแต่เราเข้าใจไม่ถูกไปสู่ท่านว่าไม่ถูกก็ที่บอกว่ามีเป็น ร, ร, รูปสัญจรเปนเป็นมีนบ้าจะ เอนั่นแหละประเทศไทยเราเรื่องน้เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีพู้ทธศาสนาแบบนี้แหละคือเราประเทศไทยเรานับถือพุธศาสนานิทานนะไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะเข้าใจไว้พุทธศาสนาในนิทานนพุทธศาสนาในเมืองไทยแล้วเมื่อกี้มึนไม่ตีกันตายอย่างที่เราเห็นนะใช่ไหมเรื่องแค่เหลืองแค่แดงตีกันจะตายได้มันอะไรกันเห็นไะมันมันไม่เหมือนเด็กอะ พุทธศาสนาทำไมเราเล้นึสาขนาดนั้นเราคิดใน้ดีอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเพราะฉะนั้นเรานับถือผู้ธศาสนาในตำรางมือนเรอไม่ไปไหนไงนนเราว่าเราเชื่อคของป า, มมาเรากลัว ง, ง, งอยาท่งางนี้ป่ะอ่าใช่ไอ้เมื่อวันเมื่อวันไอ้ก็ น, น, นูมาที่นี่หนูมาจากที่ไหนเ ม, นมนนื่อวันเมื่อวันนี่อยู่ที่ไหนเมื่อวันอยู่ที่นี่ค่ะเมื่อวนอยู่ที่นี่ะ เมื่อวานกับวันนี้แต่งตัวคนละแบบไหมแต่งตัวละลเออทำไมจําได้วอต่งกว่าเมื่อวานจะระลึกดูอะน่นคราาพบข้ามมาวานนนันหนึ่งแค่นั้นเลยพอเราข้าไว้อีกหน่อยก็น่าจะได้อยู่เนะีเรื่องนี้ปฏิบัติดีๆไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เนื่องจากว่าเราไปเข้าใจตาํารากับความเป็นจริงคนละเรื่องตายแล้วเกิดะะอ่าไม่โดนมา น, นั่งนี่เดี๋ยว ยังจําได้ไหมว่าพลิกแข่งพิขากี่ครั้งเนี่ยเ ย, ะะเยอะเลยใช่ไหมทําไม่มรู้ว่ามันเยอะจําได้จําได้ล อ, องต้องรู้พบชาติใกล้ๆนี้เสียก่อ น, นอาการนั่งเก่าๆที่มันตายไปเมื่อกี้เนี่ยเราทันได้เห็นไหมว่าวอันนี้นั่งใหม่ไม่ใช่นั่งเก่าแล้วนเนี่ยไอ้นั่งเก่าที่เดี๋ยวพิมพ์มาขี้มันตายไปกี่กี่ท่าแล้วนะ่ะ เบเล็กๆ น, น้อยๆเหล่านี้ให้ได้เสียก่อนนะถ้าจำาพเล็กๆ น, น้อยๆเหล่านี้ไม่ได้นะไอ้นั้นอย่าไปคิดเลยเพราะฉะนั้นพบเหล่านั้นก็ไปจากตัวนี้แหละหลวงพ่ออันเจะคุณปุยุทธะภูะมคุณาภรณ์นะอันพูดไปดีบอกว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วและ ชาติที่แล้วมาแต่อนาคตเนี่ยให้นับตั้งแต่ว่าวินาทีจากนี้ย้อนหลังเนี่ยเป็นชาติที่แล้วหมดวินาทีที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นชาติอนาคตหมดถ้าคุณรู้วินาทีข้างหน้าที่เข้ามาถึงคุณก็รู้ให้รู้ไปเรื่อยๆคุณรู้ว่าทุกอย่างวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะให้รู้ให้ทันคุณก็รู้อดีตแแต่มันต้องรู้จักหน่วยเล็กๆนี่ให้ได้ซยก่อน หน่วยเล็กๆที่ใกล้ๆตัวเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแล้วหน่วยที่มันไกลๆไม่ไม่ไมไมงพูดถึงอันนี้คือพุทธศาสนานับหนึ่งจากณปัจจุบันจะเป็นอดีตก้าวใยกี่ล้านกี่แสนก็ตามแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้นะแต่ถามไปก่อนโอเคอนุรมนิดหน่อยนะพาจริงมันเป็นเรื่องนอกเรื่องนะเพราะว่าถึงต่อไปก็ไม่ได้ประโยช่อะไรเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องปัจจุบัน แต่ว่าโอเคก็คอยากรู้ก็พูดเป็นนายให้ฟังก็นแล้วกันแต่รายละเอียดมันมีคนนี่เยอะพูดกันสามวานันสามคืนไม่จบคือล่าเราไปรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันละเอียดกว่ที่เราจะพูดกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจสังเกตจากจากนี้ไปยมจําได้ไหมว่านาทีหนึ่งภาพตากี่ครั้ ง, ง น, น่ะเนี่ยเห็นใกล้ๆนะเอาใกล้ๆนี่ก่อนแต่ นาทีหนึ่งหายใจเข้าออกกี่ครั้งเนี่ยเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนาทีหนึ่งเหลือใส่อะไรกว่ากี่ครั้งเนี่ยเอานี่ให้ได้รับรองว่าถ้ารู้ตรงนี้นะมันจะไปรั่วนะของวันเองนยมันจะไปรู้วนั้นแน่นอนเลยต้องรู้อันนี้ให้ได้เลยก่อนอันนี้คือเหตุของมันปัจจุบันเป็นเหตุของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมถ้าไม่มีปัจจุบันอดีตอนาคตมีไหมไม่มี ถ้ามีไม่มีชาตินี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยชาติแล้วชาติก่อนก็มีไม่ได้ต้องอ่านจากปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันสาําคัญที่สุดถ้าไม่เห็นความสําคัญของปัจจุบันจะไปหวังเลยจะไปยั่วยดีอนาคตไม่มีทางจริงๆแต่ให้ความสําคัญปัจจุบันแล้วพยายามใส่ใจปัจจุบันทุกทุกระยะทุกกะเบียดนิ้วนะ่ะโอ้โหวิเศษมากมันรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายหมด เพราะฉะนั้นอย่าประมาทหายใจเข้าออกแต่ละครั้งพับตาขึ้นลงแต่ละครั้งเอาใจใส่มันเดี่ยวซ้ายเลยขวาพลิกขาเปลี่ยนขาแต่ละครั้งเอาใจใส่มันไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เตอร์นเรารู้เราก็ไม่ได้นะไม่ต้องนะให้รู้เฉยๆอ่ะนะครับแ้วเราจะรู้ได้ย อ๋ออันนั้นเป็นเป็นสมมุติทางหน่วยภาษาเราพูดกันแต่ความจริงเราก็ให้รู้ในสาระของมันเวลาโยมกินส้มเนี่ยโยมกินเปลือกมัม้ยไม่แก <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้โยมกินใช่ไหมแต่เวลาเราพูดถึงส้มไม่ต้องพูดถึงเปลือกอะแต่ว่ามันต้องมีเปลือกใช่ไหมอันนี้เมื่อการเราพูดนาทีวินาทีเท่านั้นครั้งเท่านี้ครัง้งมันเป็นเปลือกแต่เราก็ต้องพูดถึงมันถ้าไม่งั้นจําไม่อไรมันส้มมันมีสีอะไร สายามเวลากินจริงๆมันไม่ได้กินนี่เปลือกใช่ไหมเอาเนื้อไปใส่เปล่าเปลือกมันทิ้งเหมือนกันที่หลวงพ่ออ้างว่าวันหนึ่งคุณพักกายกี่ครั้งหายใจกี่ครั้งก็ไมื่ใช่เขาะว่าคุณนี่ต้องไปนับอย่างนั้นจริงๆแต่ให้รู้สารล่าของวันน่ะมันเข้ามันออกนะอันนี้คือคือหลักที่เราจะต้องรู้แต่นั้นเป็นสมมุติว่าคล้ายอย่างนั่นแหละรู้คล้ายอย่างนั้นแหละคือว่าทำแบบนี้แต่นั่งสมาธิแล้วตั้งแต่ คือเราก็รู้ตา ม, ม, ม<ช>คมือเป็นอันเียวเที่ยเหมือนมือเป็นลองหายใจก็ลักษณะเดียวกันมงั้นนมากอ่าก็ได้ก็ก็ไม่ว่าก็ทาได้นะแต่จริงวันนี้ที่โยมถามนะเอ๊ะหนูจะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมแล้วก็มาสร้างจังหวะสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ทาได้ไหมหลงพ่อก็เลยถามเธอว่าเออ เวลาเธอทานข้าวเนี่ยเธอทานข้าวเสร็จก่อนก็เข้ามาทานกับพี่หลังได้ไหมหรือเธอทานกลับก่อนแล้วก็ไปค่อยไปทานข้าวที่หลังเนี่ยได้ไหมแต่เวลาไปจริงๆเนี่ยทําอย่างนั้นไหมไม่ค่ะทําไงก็ทานข้าวกับไปด้วยกันอ้าวทำไมทําอย่างนั้นน่ะแต่เวลาทานนะบอกว่าทานข้าวไม่ได้บอกว่ากลับอันนี้มันเป็นภาษาไม่สามารถจะพูดรพร้อมๆกันได้กาปรปฏิบัติเหมือกนกัน การทำสมาธิเนี่ยของพ่อเปี่ยวเสมือนข้าวการทำปัญญาเปี่ยบเสมือนกับการทำสตินี่เหมือนกับเอาข้าวกับกับมารวมกันแล้วก็กินเพราะนั้นถ้ากินทีละอย่างก็ได้แต่ไม่นิยมมันมัน่มันไม่อร่อยอที่เสลนสตินี่อร่อยจะตายไปเนี่ยสนุกดั้งเท่าวันไม่เห็นถึงห่วงเลยนะถึงห่วงนิดหน่อย แต่เธอไปนั่งสมาธิดูสิเนี่ยไม่รู้ก่วงกี่รอบแล้วันนี้นะแค่แค่แค่สิบนะทีเก่งเออเก่งแล้วเห็นไมเนี่ยมันมันมันมันมันไม่ได้เบื่อไงไปกินข้าวอย่างเดียวก็น่าเบื่อแล้วก็จะยิ้มเนาะเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจเข้านใช่ไหมอันนั้น้ก็ลักษณะงั้นก่อนเพราะ้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทาสมาธิก่อนได้ไหมแล้วไปเจริญสติเนี่ย มันว่าเขากินข้าวก่อนใช้ไหมเขาไปกินกลับไม่ทํากันนะ <c oughs> กินไปร่วมกันแี้วงจงก็ร่วมกันอะไรหลอย่างยิ่งอร่อยนะฮะเหมือนกันนั่นแหละนึกถึงความเป็นจริงให้ได้ตกลงเนาะไม่มีอะไรสง ส, งสงสัยแต่ว่ามันยังไม่จําเป็นตอนนี้นะที่ที่สงสัยนะเอาที่จําเป็นก่อนที่ว่าเอ๊ปฏิบัตินี้ใช่หรือไม่ใช่สสอไ๋อไม่ต้องสงสัยลงพ่อกลับได้เนา <c oughs> ะฮะ ก็พอดีมันมีมีพระอ่ามีภารกิจตรงที่ว่าคือตอนนี้เนี่ยแพร่ปีใหม่คนมาเข้าไปเยอะแต่ว่าพระท่านก็ไปหลายที่หลาทางพระที่จะช่วยท่านถ้าเกิดลูกสองลูกมันก็ไม่ค่อยสบายเลยก็เลยต้องรีบไปช่วยท่านท่วัอาจารย์ภคกิจไปด้วยจนพระท่านไปด้วยก็เพื่อที่จะไปดูแลตรงนั้นด้วยก็เดี๋ยวนี้คนไมว่าทางเหนือทางใต้ทุกกันทางนั้นเนาะ ก็มรพยายามมามาเมืองไทยแต่ละครั้นถ้าไม่มีไม่ได้ไปประเทศนอกหลบบ้างนะโว้ยอายุคงจะสั้นแต่นี้เนี่ยเดินทางเนี่จริงเรื่องทํางานไม่ใช่เรื่องหนักนะแต่เรื่องเดินทางเรื่องหนักทีเดียวเรื่องเดินทางนี้มันไม่นั่นก็เลยว่าถ้าอย่างไรก็ถึงแม้เราพบกันในเวลาสั้นแต่ว่าถ้าจําสาระที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยดีเข้าใจดีนะ มันก็เหมือนเราได้ได้อยู่เช่วยกันเติรดเวลาอยู่แล้วแต่ก็ธรรมดานาะคู่ใหม่เนี่ยต้องการกําลังใจต้องการได้สัมผัสเติกันได้รับรู้รับฟังนนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ากําลังใจที่ดีที่สุดที่กําลังใจที่เราสร้างขึ้นมาภายในของเราเองตัวนี้จะแน่นอนนะ <c oughs> ก็พยายามสร้างพลังภายในของตัวเองให้เยื้อเพราะว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งวิเศษหลายอย่างที่เรายังคนไม่พบ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เราสัมผัสได้ก็คือโลภพยังวิเศษอยู่โทสะยังวิเศษอยู่โมหะยังวิเศษอยู่อันนี้ก็ต้องพยายามหาส่วนศีลขึ้นมาแทนสมาธิขึ้นมาแทนปัญญาขึ้นมาแท น, ญญ น, แทนให้เห็นทั้งสามส่วนนี้วิเศษเมื่อไหร่ก็ราคะโทสะโมหะมันก็จะลดความวิเศษลงไปเรื่อย ๆ, ๆให้เห็นศีลสมาธิปัญญาวิเศษขึ้นมาภารกิจของการที่จะไป รักใช้วิบากกรรมโลกปวดหลงมันก็จะน้อยลงไปเนะชีวิตก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นโลกกวดหลงนี้มันเป็นล่างเง่าของชีวิตของเราเกิดมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะให้มันเบาลงก็มาทําหลักของศีลสมาธิปัญญาให้มันมีกําลังขึ้นก็จะรู้ว่าเป็นกําลังในตัวเองขึ้นมานะนั้นปฏิบัติตัวนี้ไม่ผิดแล้ว แต่คําพูดที่พูดกันบอ่อยวอาหนูมาถูกทางแล้วเนี่ยเป็นคาพูดย้อมใจกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครไม่รู้ถูกรู้ผิดนอกจากเรารู้ตัวเราเองเนาะใช่ไหมแต่คาพูดไปื่ย้อมใจเออว่าสิบทางก็สิบถูกเ อ, อคนนั้นบอกว่าคุณมาถูกทางพอไปทางผิดเออคุณมาถูกทางแล้วเ อ, อเราไม่รู้อันไรถูกอนะไรผิดจริงๆมันเป็นตำนนรุณปัจจุบันที่ใช้กันบอ่อยเพื่อทักษานทางใจกันแค่นั้นเอง ดัง น, นั้นก็คอนวุฒนาสาธุในความตั้งใจที่จะยินได้ฟังก็ฝูกเพรมีเวลาน้อยก็พูดให้ฟังยาวหน่อยเพื่อจะให้เราได้เข้าใจอะไรบางแง่บางมุมได้ชัดเจนขึ้นแล้เราจะได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติก็คอนวุฒน า, าสาธุที่เราทั้งหลายจะได้มุ่งมัน่นฝึกฝนแล้วก็สแสวงหาพลังชีวิตและแสงสว่างในตัวเองให้พบให้ เห็นให้เข้าใจในเวลาใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่าน